พอแลกให้ไหมที่เขาให้เป็นแค่แป้งเก็บมีค่าเทียวปลายเล็บเขาเก็บไว้ใช้งานยามเราเศร้ า, านในมุนที่โดนเก็บเจ็บแค่ในต้องทนเอาน้ำตาไหลไม่เคยบันเทาเป็นน้อยเขาให้เศร้าทำไม วันนี้จะโยนทิ้งไปกับอดีตที่ทำร้ายใจจะจำมันไปทำไมในวันน่าลังแทบร้อนเริ่มต้นหรือยังกับผู้ชายที่ไม่แคร์ความลังเริ่มต้นหรือยังกับผู้ชายที่รักเธออย่างฉันไม่ต้องเป็นแฟนเกต ไม่ต้องทนเจ็บแต่ความเหงาไม่ต้องเป็นโีกใครเขาฉัน จ, จะเอาเธอเป็นตัวจริงพร้อมขอผู้ชายคนนี้จะภายแซกน้ำใจเรืย ร, รักจริงจิงไปให้เธอทิ้งไปสิ่งที่มีวันนี้ฉันขอเธอเริ่ต้นใหม่ ตอนนี้เริ่มจะสว่างความมืดมิดเริ่มหมดไปจนมองเห็นทางต่อไปนี้เธอจะไม่อ้างว้างจะอยู่กับเธอไม่มีน่าราังทุกเส้นทางจะมีคนที่รักเธออย่างฉันไม่ต้องเป็นแฟนเก็ ไม่ต้องทนเจ็บกับความเหงาไม่ต้องเป็นโง่อีกไกลเขาฉันจะเอาเธอเป็นตัวจริงป้อมปอดผู้ชายผงมีจะคอยแซดน้ำตาเรียรักจริงจริงไปให้เธอจริงไปสิ่งที่มีวันนี้ฉันขอเธอเร้อ่องตนใน ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บไม่ต้องทนเจ็บกับความเหงาไม่ต้องเป็นน้อยใครเขาฉันจะเอาเธอเป็นตัวจริงอมปอดผู้ชายคนนี้จะคอยาับน้ำตาเรียดจีนจิงไปให้เธอจิงไปสิ่งที่มีวันนี้ ฉันขอเธอเรังต้นใหม่